สำหรับเนื้อหาบทต่อไปคือวิธีเดือนจงกรมทำสมาธิตามแบบของหลวงปู่มั่นซึ่งมีการแยกทำเป็นหนังสือเผยแพร่ตังหากและชุมรมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงานเว้นานแล้วดังนั้นจึงขอข้ามเนื้อหาส่วนนี้ไปเลยนะครับท่านอาจารย์มั่นทันเทศบางครั้งผู้ฟังทั้งหลายอดบเ ร, ราะอยู่ภายในไปตามๆกันไม่ได้เพราะขบขัน ผู้เขียนจำได้เฉพาะความคบขันส่วนเนื้อธรรมะที่ท่านแสดงขันขันนั้นจำไม่ค่อยได้มากท่านว่าถ้าผ่ากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมีชีวิ ต, ตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้วความเจริญทางใจก็พอจะมีทางงอกเงยขึ้นได้ไม่เหมือนคนเดินเข้าโรงผีทั้งเป็นดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่นี่มองไปทิศใดทางใดเห็นมีแต่เศษพระเศษเนน เหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมาตามทางจงกรมงุ่มง่ามตวมเตรียมไม่มีสติความรู้สึกอยู่กับตัวและปัญญาความแยกคายใดๆบ้างเลยถ้านั่งภาวนาก็นั่งอยู่เฉยๆเหมือนเศษเหล็กที่เขาก่องทิ้งไว้ในร้านหรือในโรงงานต่างๆนั่นแหละแต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดงความโยกแยกระงงกหน้าระงงกหลังเหมือนคนกาลังจะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียให้เราดูพอราคาญใจ ส่วนพระกรรมฐานนั่งสัพปงกงันจะล้มแหลมิล้มแหลจะตายแหลมิตายแหลพอให้รำคาญในการเตรียมท่องกุสลามตาิกานั่นสิมันน่าทุเรศนะและบางครั้งที่เป็นเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาแรงกามาลับนอนกันเสียแล้วเพื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในเวลานั้นไม่ทราบว่าใครจะมาช่วยจัดการกุสลามตาิกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกัน ถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวันก็พอให้แรงการาคาญอีกแง่หนึ่งคือเวลาเขาบินมาดูคิดว่าพอเป็นอาหารได้แล้วก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่เห็นท่าไม่ได้การเขากลัวรีพากันบินหนีไปและจับต้นไม้คอยดูอีกต่อไปบางทีก็มีหวังแล้วมองกลับมาดูสิ่งที่น่าราคาญนั้นอีกพอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้ว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 พอเทศมาถึงจุดนี้ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งราวกับจะกําหนดดูใจพระใจเนนที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิดอย่างไรบ้างพอเห็นแต่ละองค์ต่างนั่งเงียบคงทั้งกลัวบ้างขบขันบ้างนั่นเองเสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกราวกับตอบคำาสงสัยว่าก็เตรียงกุศลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรละ่ะคนตายก็ยังมีกุศลาบางสุขุนพระนั่งภาวนาหลับแบบตายทั้งเป็น จะไม่กุศลามาติกาให้บุญก็จะพากันไปตกนรกทั้งหมดละสิแม้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ทาท่าโยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆจะโดดไปที่ไหนถ้าไม่โดดลงนรกขุมนอนไม่ตื่นเราคาว่านารกขุมนอนไม่ตื่นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินกันมาบ้างเลยแต่ท่านก็นำมาแสดงจนได้ พอเลิกจากการประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกันรอบๆสภานูสนุกไปพักหนึ่งก่อนจะเลิกรากันไปสถานที่ที่ทำความเพียรของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่าโรงพักศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุศลาแต่แปลกดังที่เคยเรียนแล้วพระเนนไม่ว่าองค์ใดไม่เคยแสดงอาการหมุดหงิดไม่พอใจในคาที่ท่านเทศดู ด, ด่าเคียนตีนั่นเลย มีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตามคำเทศคบคันท่านเสียอีกไม่อยากให้จบลงง่ายๆเลยทั้งนี้คงเป็นเพราะความเชื่อมั่นในองค์ท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานและเหตุผลนั่นเองจึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากวิจาร์ไปในแง่ต่างๆแทนที่จะขยักขแยงต่อคาเทศประเภทกุศลามาติกานั้น แต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอสติของตนไปตามๆกันองค์ท่านเองก็แสดงซุ้มเสียงและท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นพอพ้นไปแล้วก็มีอากาศกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้นมาก่อนเลยแม้พระที่ท่านเคยอยู่กับท่านมานานจนทราบนิสัยท่านได้ดีพอแล้วหลังจากฟังเทศแบบนั้นมาแล้ว ท่านก็สนทนาปราศัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลยนอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่เคยกับธรรมะเครื่องดั่งดานแบบนั้นจึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมาเจอเข้าอย่างจังๆก็ต้องมีอาการต่างๆทั้งจะผุดลุกผุดนั่งทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งร้อนทั้งหนาวไม่มีสติพอยับยั้งตั้งตัวได้ เหมือนจับสุนัขโยนใส่เสือตายเราดีๆนี่เองได้ยินแต่เสียงแงกคำเดียวแล้วตัวก็เพ่นนีตายแบบไม่อะไรชีวิตเอาเลยเห็นแต่อะไรๆที่มีคาดคิดของมันหลุดทิ้งเรื่อราดสาดกระจายเต็มอวัยวะเสือทั้งตัวนั่นแหละนั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรที่หลุดทะลักออกมาจากตัวมันหลงกองเรื่อราเต็มตัวเสือที่มันกลัวๆนั่นเล่าส่วนตัวสุนัขเองนั้น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 คำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆมีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดลอยออกหมดไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือแต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนีไปไหนไม่เป็นยืนตัวแข็งปล่อยให้อะไรอะไรหลออกจนหมดนั่นแหละเพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้วทั้งนี้เพราะสัญชตาตญาณของสัตว์พันนี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมา ท่านที่เคยอยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนักกับเสือได้ดีแต่ท่านที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพมาแต่ต้นไม่อาจทราบได้หรือไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นเฉพาะท่านที่เคยอยู่อบรมกับท่านมานานท่านดูดาขู่เข็นมากเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนเร่งยาแก้ไขให้หายรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น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 ก็ย่อมมีความกระหิมยิ้มย่องต่อโอวาทหนักเบาเพื่อบรรเทาและแก้กิเลสของตัวจากครูอาจารย์ผู้มีเมตตาจิตคิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆอันเป็นทางปลดเปลื้องเลี่ยงกิเลสกองทุกข์ไปได้ไม่นอนจมล้มเหลวเพราะอำนาจกิเลสบีบบังคับทำลายด้วยถ่ายเดียวการฟังโอวาทท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอัถะมุ่งธรรมะจริงๆ ไม่สงวนตัวนำกิเลสตัวทิฏฐิมานะเข้าไปต้านทานผลักดันธรรมะที่ท่านแสดงเปิดใจฟังอย่างความรู้ไปตามเหตุตามผลจริงๆแล้วจะได้ฟังธรรมะท่านอย่างถึงใจแก่กิเลสไปได้เป็นวัคเป็นตอนประจักใจในขณะที่ฟังทุกๆระยะที่ท่านแสดงยิ่งมีเรื่องทำให้ท่านสะดุดใจถือเป็นเหตุจะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตาม ที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้นยิ่งน่าฟังผิดกับที่ท่านแสดงธรรมดาอยู่มากภู้มุงกลัวท่านก็ได้กลัวเต็มภูมิที่อยากกลัวแทบตั้งตัวไม่ติดนั่นและผู้มุงเอาเหตุผลอัธธรรมก็ได้ผลเต็มความสามารถแห่งสติปัญญาของตนธรรมะที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นต้องไม่เหมือนครั้งใดๆที่เคยผ่านมา แต่เป็นธรรมะที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะและไม่มีการซ้ำรอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้วด้วยเพราะนิสัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็ไม่ซ้ำรอยเก่าอยู่แล้วนอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้นแม้แต่พาสิทธ์เก่าที่เคยยกขึ้นแสดงเวลาแปลยังไม่ซ้ำกับที่ท่านเคยแปลไว้เดิมเลยหากมีเลี่ยงเลี่ยงเฉียดเฉียดกันไป พอให้เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆนี่เองจึงอดชมเชยท่านแล้วเล่าไม่ได้ว่าสมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่าเป็นปฏิสัมพิทานุศาส์จริงๆผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไหร่ยิ่งชอบฟังธรรมะเด็ดเผ็ดร้อนจากท่านมากกว่าธรรมดาเรามีรสทราบซึ้งผิดกันอยู่มากแต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุดา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 ท่านรื้อฟื้นบุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็นของสิ่งนั้นๆอย่างถึงใจสมท่านเชี่ยวชาญทางจิตตาภาวนาทุกภูมิจริงๆแต่ผู้เขียนไม่อาจนํามาลงได้ทุกๆประโยคไปเพราะเป็นธรรมะคู่ควรแก่ท่านผู้แสดงและท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเท่านั้นเรียนได้แต่ว่าธรรมะประเภทใดเสด็จเผ็ดร้อนเท่านั้นซึ่งกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองกองเพราะอํานาจตประธรรม เรื่องแผดเผาไหลออกจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์ท่านเหมือนน้ำไหลไฟสว่างปร่ากับจะมองเห็นปู่ย่าตายายครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสชนิดต่างๆแตกทับดับสลายไม่เป็นขบวนไปในเวลานั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะจบลงพุทธบริษัทได้บรรลุมรคลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่าจนถึงขั้นสูงสุด มีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นนั้นในสมัยปัจจุบันถ้ายกธรรมะประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติชนิดเปิดโลกธาตุแม้เป็นเพียงธรรมะย่อยๆของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตามขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูลความจริงกันแล้วผู้เขียนก็อดเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อจริงๆท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กาุณาว่ากันไปส่วนผู้เชื่อ ก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจธรรมะเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจอันเดียวกันเมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้วจำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกการสถานที่บุคคลไม่เลือกหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะของจริงท่านอาจารย์มั่นก็แสดงธรรมะของจริง เพือกแก้กิเลสอันเป็นของจริงมาทุกการทุกสมัยเช่นเดียวกันการที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการแสดงธรรมซักฟอกของท่านผู้ใดก็ตามจึงเป็นความชอบด้วยเหตุผลไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เพราะ ก, กิเลสไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับการสังสมกิเลสและการแก้กิเลสเท่านั้นเป็นสาคัญ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 ก็รู้สึกจะอวดกิเลสตัวเคยชอบอวดเกินไปเพราะปะกติกิเลสไม่ชอบเหตุผลชอบแต่ความอวดตัวยอตัวว่าเกง่งทั้งที่ไม่เก่งและทั้งที่ท่านผู้ฉลาดและยิ่งใหญ่กว่าตำหนิกและสาบแช่งอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในภูมิสมาธิความสงบพอได้ฟังธรรมะท่านใจก็สงบลงง่ายกว่าที่ทำโดยลำพังตนเองเพราะธรรมะท่านช่วยกล่อมกล่าวในเวลานั้น การฟังธรรมะจึงเป็นภาคปฏิบัติสําคัญขแขนงหนึ่งในบรรดาความเพียรส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟังพอปรากฏผลมาบ้างเลยเพียงจะด้นเดาเอาตามความคิดเห็นของตนไปคัดค้านนั้นก็คัดค้านได้ถ้าจะตรงความจริงและเกิดประโยชน์ความจริงแล้วมิใช่ทางให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะสร้างมลุินให้แก่พระศาสนา